พุทธพจน์เกี่ยวกับไตรลักษณ์ในด้านคุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์คือด้านทมจิตเป็นอิสระและด้านทมกิจโดยไม่ประมาทหมดว่าด้วยอณิจจตาแห่งชีวิตและการเห็นคุณค่าของการเวลาพระอาิตย์ยับพันคือหมายถึงพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ว่า รูปอุปมาเหมือนฟูมฟองแม่น้ำเวทนาอุปมาเหมือนฟองน้ำฝนสัญญาอุปมาเหมือนพยับแดดสังขารอุปมาเหมือนต้นกล้วยวิญญาณอุปมาเหมือนมายากลภิกษุพินิจดูพิจารณาโดยแยบคายซึ่งเบญจขันนั้นด้วยประการใดๆก็มีแต่สภาวะที่ว่างเปล่า พระผู้ทรงปัญญาดังพื้นแผ่นดินทรงปรารบร่างกายนี้แล้วทรงแสดงการละธรรมะสามอย่างไว้คือโลภะโทสะโมหะหรือตัณหามานะทิฐิท่านทั้งหลายจงดูรูปที่เขาทิ้งไว้เมื่อใดอายุออยุนและวิญญาณละกายนี้เมื่อนั้นร่างกายก็ถูกทิ้ง นอนไร้จิตใจกลายเป็นอาหารของสัตว์อื่นนี่แหละการสืบต่อชีวิตก็อย่างนี้มันเป็นมายากลหลอกคนโง่ให้เพอ้อได้บอกแล้วว่าเบญจ์นคัร น, นี้เป็นผู้ล่าสังหารอยู่ในตัวจะหาแก่นสารในเบญจ์นคัร น, นี้ย่อมไม่มีภิกษุระดมเพียรแล้วพึงพิจารณาขันทั้งหลายอย่างนี้ โดยมีสัมปชัญญะมีสติมั่นทั้งวันทั้งคืนพึงละเรื่องผูกมัดเสียให้หมดพึงสร้างที่พึ่งให้แก่ตนเมื่อปรารถนาอ จ, จุดตบทคือนิพพานก็พึงประพฤติเหมือนดังคนที่ศีรษะถูกไฟไหมภิกษุทั้งหลาย อายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยจะต้องไปสู่พบหน้าพึงวินิจฉัยการด้วยความรู้คิดพึงกระทำการดีงามคือกุศลพึงครองชีวิตประเสริฐคือพรหมจรรย์ผู้ที่เกิดมาแล้วที่จะไม่ตายเป็นไม่มีผู้ใดอยู่ได้นานผู้นั้นก็อยู่ได้แค่ร้อยปีจะเกินไปบ้างก็เพียงเล็กน้อย อายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยสัตว์บุรุษพึงดูหมินอายุที่น้อยนั้นพึงประพฤติเหมือนดังถูกไฟไหม้ศีรษะการที่มัจจุราชจะไม่มาหานั้นเป็นอันไม่มีวันคืนย่อมล่วงไปชีวิตก็โหดสั้นเข้าอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดสิ้นไปเหมือนดังน้ําในถานน้ําน้อย ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมายไม่มีใครรู้ทั้งยากทั้งน้อยแล้วละคนด้วยทุกความเพียรพยายามที่จะช่วยให้สัตว์ที่เกิดมาแล้วไม่ต้องตายได้นั้นไม่มีเลยแม้อยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีธรรมดาอย่างนี้เองผลไม้สุกแล้วมีภัยอยู่ตลอดเวลา จักการที่จะต้องร่วงหล่นไปชั้นใดสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการที่จะต้องตายชั้นนั้นภาชนะดินที่ช่างหม้อทำล้าทั้งหมดล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุดชั้นนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนเข่าวทั้งคนฉลาดล้วนไปสู่อำนาจของมรรตยูมีมรรตยูเป็นที่ไปเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมดเมื่อเขาเหล่านั้นถูกมรรตยูครอบงำแล้วต้องไปปราโลกบิดาจะป้องกันบุตรไว้ก็ไม่ได้ญาติทั้งหลายจะป้องกันเหล่าญาติไว้ก็ไม่ได้ดูเถิด ท่านที่หมู่ญาติกำลังมองดูพร่มรำพันอยู่ด้วยประการต่างๆผู้จะต้องตายก็ถูกพาไปแต่ลำพังคนเดียวเหมือนโคที่เขาเอาไปฆ่าโลกถูกความแก่และความตายบทขยี้อย่างนี้เองปราชญ์ทั้งหลายรู้เท่าทันกระบวนความเป็นไปของโลกแล้วจึงไม่เศร้าโศกท่านไม่รู้ทาง ไม่ว่าของผู้มาหรือของผู้ไปเมื่อมองไม่เห็นปลายสุดทั้งสองด้านจะกล้ามครวนไปก็ไร้ประโยชน์ถ้าคนหลงไหลคร้ามครวญเบียดเบียนตนเองแล้วจะทำประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นมาได้บ้างแล้วไซท่านผู้มีวิจารณญาณก็คงทำอย่างนั้นบ้างการร้องไห้หรือโศกเศร้าจะช่วยให้จิตใจสงบสบายก็หาไม่ มีแต่จะเกิดทุกทบทวีทั้งร่างกายก็จะพลอยสุดโสมจะเบียดเบียนตัวของตัวเองจนกลายเป็นคนสู้ผอมหมดผิวพันผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะอาศัยการร้องไห้คร่ำครวญ น, นั้นเป็นเครื่องช่วยตัวเขาก็ไม่ได้การคร่ำครวญร่ำไห้จึงไร้ประโยชน์คนที่สลัดความเศร้าโศกไม่ได้ มัวทอดถอนใจถึงคนที่ตายไปแล้วตกอยู่ในอำนาจความโศกเศร้าก็มีแต่จะทุกข์หนักยิ่งขึ้นดูสิถึงคนอื่นๆก็กำลังเตรียมตัวจะเดินทางกันไปตามกรรมที่นี่ประดาษัตย์เผชิญกับอำนาจของพญามาจุราชเข้าแล้วต่างก็กำลังดิ้นรนกันอยู่ทั้งนั้น คนทั้งหลายคิดหมายไว้อย่างใดต่อมาการก็กลับกลายไปเป็นอย่างอื่นความพลัดพรากจากกันก็เป็นอย่างนี้แหละดูเถิดกระบวนความเป็นไปของโลกแม้จะมีคนอยู่ได้ถึงร้อยปีหรือเกินกว่านั้นเขาก็ต้องพลัดพรากจากหมูญาตต้องทิ้งชีวิตไว้ในโลกนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นสาธุชนสดับคำสอนของท่านผู้ไกลกิเลสแล้ว พึงระ ง, งับความกล้างครวนรำพันเสียเห็นคนล่วงลับจากไปก็ทำใจได้ว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราจะขอให้เป็นอยู่อีกย่อมไม่ได้ทิราชนคนฉลาดมีปัญญาเป็นบัณฑิตพึงระ ง, งับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วได้โดยฉับพลันเหมือนเอาน้ำดับไฟที่ลุกลามและเหมือนลมพัดปุยนุ่น ผู้ปรารถนาสุขแก่ตนพึงระ ง, งับความคร่ามครวญรำพันความโหยหาและโทมนัสเสียพึงถอนลูกศรที่เสียบตัวทิ้งไปผู้ที่ถอนลูกศรได้แล้วเป็นอิสระก็จะพบความสงบใจจะผ่านพ้นความโศกเศร้าไปได้หมดกลายเป็นผู้ไร้โศกเย็นใจ มนุษย์นี้ตั้งแต่เริ่มเกิดอยู่ในคันไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเมื่อเริ่มชีวิตขึ้นมาแล้วก็มีแต่จะบายหน้าไปไม่หัวหลังกลับคืนคนทั้งหลายถึงจะพรั่งพร้อมด้วยกำลังพลจะต่อสู้ให้ไม่แก่ไม่ตายก็ไม่ได้โอวงสัตว์ล้วนถูกชาติและชราย่ำยีเพราะเหตุนี้กัเจ้าจึงมีความคิดว่า จะบำเพ็ญธรรมราชาผู้เป็นรักฐาธิปดีอัดเอาชนะกองทัพซึ่งมีพลทั้งสี่เหล่าคือช้างม้ารถราบที่น่าสะปรึงกลัวได้แต่ไม่สามารถเอาชนะพญามัจจุราชราชาบางพวกแวดล้อมด้วยพลช้างพลมา้าพลรถและพลราบแล้ว หลุดพ้นเงื้อมือข้าศึกไปได้แต่ไม่อาจตีหักให้พ้นพญามัจจุราชราชาทั้งหลายผู้วกลา่าสามารถหักค่ายทำลายข้าศึกมากมายได้ด้วยพลช้างพลมา้าพลรถและพลราบแต่ไม่อาจย่ำหยีพญามัจจุราชมนุษย์ทั้งหลายย่มบวงสวงทำให้ยักษ์ปีศาจ หรือเปรตทั้งหลายแม้ที่เกลียวกราดแล้วยอมสงบพิโรธได้แต่จะทำให้พญามา จ, จุราจินยอมหาได้ไม่ผู้ต้องหาทาผิดฐานประทุษร้ายต่ออง์ราชาหรือต่อราชาสมบัติก็ดีผู้ร้ายที่เบียดเบียนประชาชนก็ดียังมีทางขอให้พระราชาทรงผ่อนปรนพระราชาทานอภัยโทษได้ แตจะทำให้พญามัจจุราชผ่อนผันยอมตามหาได้ไหมจะเป็นกษัตริย์ก็ตามพรามก็ตามจะร่ำรวยมีกำลังอิทธิพลหรือมีแดดศักดาแค่ไหนพญามัจจุราชก็ไม่เห็นแก่ใครเลยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะบำเพ็ญธรรมธรรมะนั่นแหละ ย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมธรรมะที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นอนิสงส์ในธรรมะที่ประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติ ธ, ธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติธรรมะกับอธรรมสองอย่างนี้จะมีผลเสมอกันก็หาไม่อธรรมย่อมนำไปสู่นรกธรรมะ ยอมให้ถึงสุขคติเปรียบเหมือนว่าภูเขาใหญ่สิลาล้วนสูงจดท้องฟ้ากลิ้งเข้ามารอบด้านทั้งสี่ทิศบทขยี้สัตว์ทั้งหลายสียชั้นใดความแก่และความตายก็ครอบงามสัตว์ทั้งหลายชั้นนั้นทั้งกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตร ตลอดจนจันทานและคนเก็บกวาดขยะชราและมรณะย่อมย่ำห ย, ยีทั้งหมดไม่ละเว้นใครเลยณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้างสำหรับพลรถหรือสำหรับพลราบจะใช้เวทมนต์ต่อสู้หรือเอาทรัพย์สินจ้างก็ไม่อาจาเอาชนะได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตคือคนฉลาดเมื่อมองไม่เห็นประโยชน์ที่แท้แก่ตน พึงปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ใดประพฤติ ธ, ธรรมด้วยกายวาจาใจผู้นั้นยอมเป็นที่สรรเสริญในโลกนี้จากไปแล้วก็บรรเทิงในสวรรค์ชาวโลกถูกมัจจุราชคอยประหัดประหารถูกชราปิดล้อมไว้ ถูกลูกสอนแห่งตัญหาทิมแทงพลานไปด้วยความปรารถนาตลอดทุกเวลาชาวโลกถูกมัจจุราชห้ามหันถูกชราล้อมไว้ไม่มีอะไรต้านทานได้จึงเดือดร้อนอยู่ร่ำไปราวกับเป็นคนร้ายที่ถูกลงโทษความตายความเจ็บไข้และความแก่เป็นเหมือนไฟสามกองที่คอยไล่ตาม กำลังที่จะรับมือได้ก็ไม่มีแรงเร็วที่จะวิ่งหนีก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าจะน้อยหรือมากก็ให้ได้อะไรบ้างเพราะวันคือล่วงไปชีวิตของคนก็ร่องลงไปจากประโยชน์ที่จะทำจะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งหรือนอนอยู่ก็ตาม เวาราสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาเข้ามาท่านจึงไม่ควรประมาทเวลาข้าพเจ้าเห็นลูกชายของท่านทั้งหลายเรียกขานว่าแม่จ้าพ่อจ๋าเป็นบุตรรักที่ได้มาโดยยากแต่อยู่มาได้ยังไม่ทันเข้าวัยชราก็ตายก่อนซสแล้ว ข้าพเจ้าเห็นลูกหญิงของท่านทั้งหลายเป็นรุ่นสาวสวยงามน่าชมแต่ก็มาสิ้นชีวิตไปเสียเหมือนหน่อไม้ไผ่ที่ยังอ่อนถูกข้าถอนเอาไปแท้จริงชายหรือหญิงก็ตามถึงยังหนุ่มยังสาวก็ตายได้ใครเล่าจะพึงวางใจในชีวิตว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่วันคืนเคลื่อนคล้อย อายุก็น้อยเข้าทุกทีเหมือนอายุของฝูงปลาในที่น้างวดความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะเป็นหลักอะไรได้ชาวโลกถูกมัจจุราชประหัตประหารถูกชราปิดล้อมไว้คืนวันไม่ผ่านไปเปล่าเมื่อเขาเอาได้มาทอผ้าเขาทอไปได้เท่าใดส่วนที่จะต้องทอต่อไป ก็เหลือน้อยเข้าเท่านั้นนี้ชันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ชันนั้นแม่น้ำเต็มฝั่งไม่ไหลทวนขึ้นที่สูงชันใดอายุของมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่เวียนกลับมาสู่วัยเด็กอีกชันนั้นแม่น้ำที่เต็มฝั่งพัดพาเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้หักโค้นไปชันใด ความแก่และความตายก็พัดพาประดาสัตว์ไปชั้นนั้นผลไม้ที่สุกแล้วย่อมมีพายอยู่ตลอดเวลาจากการที่จะต้องร่วงหล่นไปชั้นใดสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็มีพายอยู่ตลอดเวลาจากการที่จะต้องตายชั้นนั้นตอนเช้ายังเห็นกันอยู่มากคนพอตกเย็น บางคนก็ไม่เห็นเมื่อเย็นยังเห็นกันอยู่มากคนถึงรุ่งเช้าบางคนก็ไม่เห็นควรรีบทำความเพียนเสียแต่วันนี้ไรรเล่าจะรู้ว่าตายในวันพรุ่งเพราะความผัดเพียนกับพยามัจจุราชเจ้าทับใหญ่นั้นไม่มีเลย บุตรของข้าพเจ้าทิ้งร่างไปเหมือนงูลอกคราบเก่าทิ้งเสียเมื่อร่างกายใช้สอยไม่ได้เขาก็ตายจากไปแล้วเขามาจากปรโลกข้าพเจ้าก็ไม่ได้เชื้อเชิญเขาไปจากโลกนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้อนุญาตเขามาอย่างใดก็ไปอย่างนั้นการคร่ำครวญรำพันในการจากไปของเขานั้นจะมีประโยชน์อะไรถ้าร้องไห้ไป ร่างกายข้าพเจ้าก็จะพ่ายผอมการร้องไห้ของข้าพเจ้าจะมีผลดีอะไรญาติมิสหายทั้งหลายของข้าพเจ้าก็จะยิ่งมีแต่ความไม่สบายใจผู้ที่เศร้าโศกถึงคนตายก็เหมือนเด็กที่ร้องไห้ขอพระจันทร์ซึ่งโคจรไปในอากาศคนตายถูกเผาอยู่ยอมไม่รู้ว่าญาติกร้าครวนถึงเพราะฉะนั้น ถ้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกเขาไปแล้วตามวิถีทางของเขาถ้าจะเศร้าโศกถึงคนที่ไม่มีอยู่แก่ตนคือคนที่ตายไปแล้วก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนเองซึ่งตกอยู่ในอำนาจของพญามาจุราชตลอดเวลาอายุสังขารใช่จะประมาทไปตามสัตว์ ผู้ยืนนั่งนอนหรือเดินอยู่ก็หาไม่ไหวยอมเสื่อมลงเรื่อยไปทุกหลับตาทุกลืมตาเมื่อไหวเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ความพลัดพรากจากกันก็ต้องมีโดยไม่ต้องสงสัยหมูสัตว์ที่ยังเหลืออยู่ควรเมตตาเอื้อเอ็นดูต่อกันไม่ควรจะมัวเศร้าโศกถึงผู้ที่ตายไปแล้ว ภิกษุทั้งหลายฐานะหประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมณะพรามเทวดามารพรหมหรือใครๆก็ตามในโลกไม่อาจจะได้5ประการอะไรบ้างได้แก่ข้อว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา จงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศสำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ <subject> สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตาย สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ยอมสิ้นไปสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดาก็ยอมพินาศไปอุทุชนนั้นเมื่อสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นยอมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิใช่เฉพาะแต่ของเราผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นไปเช่นนั้นแท้จริงแล้วตราบใด สัตว์ทั้งหลายยังมีการมาการไปการจุดติการอุบัติกันอยู่ปราบนั้นสำหรับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียวสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ยอมแก่สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดาก็ยอมพินาศ ด, ด้วยกันทั้งนั้นก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดามาแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดามาพินาศไป ถ้าเราจะเศร้าโศกหม่นมองร้องไห้ตีอกกล้ามครวญหลงไหลฟั่นเฟือนไปแม้อาหารก็จะไม่เป็นอัญอยากรับประทานร่างกายก็จะสูบโซมการงานก็จะไม่เป็นอันทำรรพวกศัต ร, รูก็จะพากันชอบใจฝ่ายมิตรหายก็จะปล่อยเสียใจครั้นสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นจริงเขายอมเศร้าโศกหม่นมองร้องไห้ ตีออกคล้ามครวนลหลงไหลฟั่นเฟือนไปนี้เรียกว่าบุตุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ถูกลูกสอนคือความเศร้าโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทําตัวเองให้เดือดร้อนแต่สำหรับอริยาสาวกผู้ได้เรียนรู้สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดาก็ย่อมพินาศไป อริยสาวกนั้นเมื่อสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เฉพาะแต่ของเราผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นไปเช่นนั้นแท้จริงแล้วปราบใดสัตว์ทั้งหลายยังมีการมาการไปการจุติการอุบัติกันอยู่ปราบนั้นสำหรับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียวสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่ สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดาก็ยอมพินาศด้วยกันทั้งนั้นก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดามาแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดามาพินาศไปถ้าเราจะเศร้าโศกหม่นมองร้องไห้ตีอกคร่ำครวญหลงไหลฟั่นเฟือนไปแม้อาหารก็จะไม่เป็นอันอยากรับประทานร่างกายก็จะซูบโสมการงานก็จะไม่เป็นอันทำ พวกศัตรูก็จะพากันชอบใจฝ่ายมิตรสหายก็จะปล่อยเสียใจรั้นสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นจริงอริยาสาวกนั้นยอมไม่เศร้าโศกไม่หม่นหมองไม่ร้องไห้ไม่ตีอกไม่กรำครวนไม่หลงไหลฟั่นเฟือนนี้เรียกว่าอริยาสาวกผู้ได้เรียนรู้เขาถูกสอนคือความเศร้าโศกอันมีพิษ ที่เป็นเครื่องเสียบแทงปูตุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ซึ่งได้แต่ทำตัวเองให้เดือดร้อนถอนออกได้แล้วอริยาสาวกนั้นเป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศกปราศจากลูกซรที่เสียบแทงยอมดักทุกร้อนทำตนให้สุขเยน็นการโศกเศร้าการพิรายรำพันจะช่วยให้ได้ประโยชน์อะไรสักนิดหน่อยก็หาไม่ เหล่าคนที่มุ่งร้ายรู้ว่าเขาเศร้าโศกมีความทุกย่อมจะดีใจส่วนบัณฑิตผู้ฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลย่อมไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ร้ายทั้งหลายเมื่อมองเห็นหน้าของบัณฑิตนั้นเป็นเหมือนเดิมไม่ผิดแปลกไปพวกอามิต ท, ทั้งหลายกลับกลายเป็นฝ่ายถุกประโยชน์ที่มุ่งหมาย ตนจะได้ในที่ใดด้วยวิธีใดจะด้วยการเข้าไปพูดกันเฉพาะตัวด้วยการปรึกษาท่านผู้รู้ด้วยการรู้จักเจรจาด้วยการจ่ายทรั์หรือด้วยขนรทมเนียมอย่างใดก็ตามก็พึงพากเพียรในที่นั้นๆด้วยวิธีการนั้นๆหากรู้ชัดว่าผลที่หมายนั้นเป็นสิ่งที่เราก็ตามผู้อื่นก็ตามไม่อาจจะได้ก็ไม่พึงเศร้าโศก พึงยับยัง้งตั้งกำหนดใจอย่างมั่นคงว่าทีนี้เราจะทำอย่างไรต่อไปจะตายก็ไปคนเดียวจะเกิดก็มาคนเดียวความสัมพันธ์ของสัตว์ทั้งหลายก็แค่ได้มาพบปะเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้ได้เรียนรู้มามากเป็นปราช มองเห็นโลกนี้โลกหน้ารู้ทั่วถึงทำแล้วความโศกเศร้าทั้งหลายแม่ใหญ่หลวงก็ไม่ทำให้ท่านเร่าร้อนเรานั้นจะบริหารยศฐานะและภกศัพย์จะบำรุงเลี้ยงภรรยาและมูญาติกับทั้งประดาชาวประชานอกนั้นนี้คือกิจหน้าที่ของท่านผู้รู้ คนเขายอมคิดการแต่ว่าฤดูฝนเราจะอยู่ที่นี้ฤดูหนาวฤดูร้อนเราจะอยู่ที่นี้อาตรหนักถึงอันตรายไหมเมื่อเขาหลงลายอยู่กับลูกหลานและสัตว์เลี้ยงมีจิตติดข้องอยู่ในทรัพย์สินสิ่งของต่างๆมัจจุราชก็มาพาเอาเข้าไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดพาชาวบ้านที่หลับไหลไปเะนั้น เมื่อถูกพญามัจุราชครอบงำไม่ว่าบุตรไม่ว่าบิดาไม่ว่าญาติพวกพ้องถึงจะมีก็ช่วยต้านทานไม่ได้จะหาที่ปกป้องในหมู่ญาติเป็นอันไม่มีบัณฑิตสำรวมตนด้วยศีลทราบเหตุผลดังนี้แล้วพึงรีบชำระทางดำเนินสู่นิพพานโดยเร็วพลัน ชีวิตนี้น้อยจริงหนอคนย่อมตายทั้งที่อายุยังไม่ถึงร้อยปีถึงแม้อยู่ได้เกินกว่านั้นก็ต้องตายเพราะชราอย่างแน่นอนจนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเราแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่หวงแหนไว้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยกูที่มองเห็นว่า ความพลัดพรากกันจะต้องมีแน่นอนดังนี้แล้วไม่ควรอยู่ครองเรือนคนสำคัญหมายสิ่งใดว่านี้ของเราก็ต้องละสิ่งนั้นไปเพราะความตายบัณฑิตพุทธมามะกะทราบความข้อนี้แล้วไม่พึงโน้มเอียงไปในการที่จะยึดถืออะไรอะไรว่าเป็นของเรา คนที่รักใคร่ตายจากไปแล้วยอมไม่ได้พบเห็นอีกเหมือนคนตื่นขึ้นไม่เห็นสิ่งที่ได้พบในฝันคนที่เขาเรียกว่าชื่อนี้ชื่อนี้นั้นก็แค่ได้พบเห็นกันบ้างได้ยินถึงบ้างคนที่ตายจากไปแล้วก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้นที่จะพึงกล่าวขวัญถึงได้ผู้ที่ติดใคลในสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของเรา ยอมละความโศกเศร้าความคร่ามครวญและความตรหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นมูนีทั้งหลายผู้มองเห็นความเกษมถึงละสิ่งที่เคยหวงแหนเที่ยวไปบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงท่านผู้ไม่แสดงตนในภพคือพระอระหันต์ว่าเป็นบุคคลที่สอดคล้องเหมาะกันสำหรับภิกษุ กูบำเเพนความหลีกเร้นถอนจิตได้แก่พระที่ยังศึกษาอยู่คือเป็นเสค่ะหรือกัลยาณปุตุชนซึ่งเสพเสนาสนะอันสงัดมุนีไม่ติดในสิ่งทั้งปวงไม่ทำใครๆอะไรๆให้เป็นที่รักให้เป็นที่ชังความร่ำให้และความตรนีจึงไม่แปดเปื้อนมุนีนี้ เหมือนด่งน้ำไม่เปียกใบบัวหยาดน้ำไม่ติดใบบัววารีไม่ติดปทุมชั้นใดมูนีก็ไม่ติดในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ศบทราบชันนั้นท่านผู้ทรงปัญญาคือพระอระหันต์ย่อมไม่สำคัญมั่นหมายด้วยสิ่งที่ได้เห็นได้ยินหรือศบทราบ ยอมไม่ปราถนาความบริสุทธิ์ด้วยวิธีการอย่างอื่นท่านไม่ติดใครอย่างพานปุตุชนและก็ไม่หนายแหนงอย่างกัลยาณปุตุชนและพระเสกขทรัพย์สมบัติละทิ้งคนไปก่อนก็มีคนละทิ้งทรัพย์สมบัติไปก่อนก็มี ท่านผู้ใกล้การมรโลงเอย่ยผู้ครองทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนเลยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกในยามที่คนทั้งหลายพากันโศกเศร้าดวงจันทร์อุทัยขึ้นเต็มดวงแล้วก็แรมลับดวงอาทิตย์ฉายแสงสองโลกแล้วก็อาศดงโลกธรรม ท, ทั้งหลายนั้น ข้าพเจ้ารู้เท่าทันแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกในยามที่คนทั้งหลายพากันโศกเศร้าได้ลาบเสื่อมลาบได้ยดเสื่อมยดนินทาสันเสริญสุขและทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมดาในหมู่มนุษย์เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน มีความแปรปรวนไปได้เป็นธรรมดาผู้มีปัญญาดีมีสติรู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นของพันแปรไปได้เป็นธรรมดาสิ่งน่าปรารถนาก็ย่ำหยีจิตของท่านไม่ได้ถึงสิ่งไม่น่าปรารถนาก็ไม่ทำให้ท่านคับแค้นความยินดีก็ตามความยินร้ายก็ตามท่านกาจัดได้หมดหายลับไม่มีเหลือ ท่นราบสภาวะที่ไรโ้โศกไร้ทุลีมีสัมมาปัญญาเป็นผู้ลุกถึงฝากฟังพบรูปกายของสัตว์ย่อมรวงโรยไปแต่ชื่อและโครไม่เสื่อมสลายการเวลาย่อมกลืนกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมกันไปกับตัวมันเอง วัยสิ้นไปตามคืนละวันการเวลาล่วงไปคืนวันผ่านพ้นไปไวัยก็หมดไปทีละตอนตามลำดับผู้เล็งเห็นภัยในความตายดังนี้หวังความสงบพึงละเหยื่อล่อในโลกเสียข้าพเจ้าไม่มีความชั่วซึ่งได้ทำไวหนะ้าที่ไหนๆเลย เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นกลัวความตายที่จะมาถึงตั้งอยู่ในธรรมะแล้วไม่ต้องกลัวปอรโลกอานน์สมัยนั้นเราเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์พระนคร8ปด0 0สี่พันอันมีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุข เหล่านั้นก็ของเราประสาท8ปด0 0สี่พันอันมีธรรมประสาทเป็นประมุกเหล่านั้นก็ของเรารถ8ปด0 0สี่พันมีเครื่องอลังการแล้วด้วยทองมีทงแล้วด้วยทองมีตะไครเครื่องปกคลุมแล้วด้วยทองอันมีรถเวทชยันเป็นประมุกเหล่านั้นก็ของเราอานอนบัรดาพระนคร8 4ด0 0ี่พัน รัชกที่เราอยู่รอบรองสมัยนั้นก็เพียงนครเดียวเท่านั้นคือกุสาวดีราชธานีบรรดาปรสา 8, 000, ปรสาท 84% ดห0พันปราสาทที่เราอยู่รอบรองสมัยนั้นก็เพียงปราสาทเดียวเท่านั้นคือธรรมะปราสาทบรรดารถแปดห0ันรถที่เรานั่งสมัยนั้นก็เพียงคันเดียวเท่านั้นคือรถเวชยันอานน์ จงดูเถิดสังขารเหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นอดีตดับสิ้นไปแล้วพันแปรไปแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แหลสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้แหลสังขารทั้งหลายให้ความโปร่งโล่งมั่นใจไม่ได้อย่างนี้แหลอานนเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเพียงพอที่จะเลิกติดใคล เพียงพอที่จะหลุดพ้นไปเสียสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความสงบวางแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุขนครของเราชื่อว่ากบิลพั พระราชาพุทธบิดาพระนามว่าสุโธธนะพระมาดาผู้ชนนีมีพระนามว่ามายาเทวีเรากรองอคคริยวิสัยอยู่29เกพันษามีประสาทเลิศดสามหลังชื่อว่าสุจันท h โกกนุตและโกญจจะพร้อมด้วยสตรีสี่หมื่นนางเฝ้าแห่นอลังการยอดนาวีมีนามว่ายะโสธราโอรสนามว่าราหุน เราเห็นนิมิตสีประการจึงออกบวช ด, ด้วยอสวารรชยานแด่บำเพ็ญเพียรประพฤติทุกรกิริยาอยู่หกพันสาเราประกาศธรรมจักที่ป่าอิพปฒนะมรึกขายวันแขวงเมืองพรารณสีเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าโคตมะเป็นสารณะของสพัพพสัตอายุของเราในยุคสมัยบัดนี้น้อยเพียงชั่วร้อยปีถึงจะดำรงชีวิตอยู่เพียงเท่านั้น เราก็ช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นวัตะไปได้จำนวนมากมายและได้ตั้งคบเพลิงธรรมะไว้ปลูกประชาชนภายหลังให้เกิดปัญญาเตือนขึ้นมาตรัสรู้ต่อไปไม่นานเลยเราพร้อมทั้งหมู่สาวกก็จะปรินิพานเหมือนไฟดับไปเพราะสิ้นเชื้อเรือนกายร่างนี้ที่ส่งไว้ซึ่งคุณสมบัติวิจิตด้วยวรรลักษ์ทั้ง32ประการ มีเดชหาที่เทียบเทียมมิได้กับทั้งทศพลและประดาริศใช้พระพาฉับพันรังสีสว่างสวัยทั่วหกทิศดุจ ด, ดวงอาทิตย์สตรังสีก็จกลับดับหายสังขารทั้งหมดทั้งหลายไร้แก่นสารล้วนว่างเปล่าดังนี้ละหนอทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนผานทั้งบัณฑิตทั้งคนมีทั้งคนจนล้วนเดินหน้าไปหาความตายทั้งนั้นภาชนะดินที่ช่างหม้อทำแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งสุกและดิบล้วนมีความแตกทำลายเป็นที่สุดชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุดชั้นนั้นวัยของเราหงอมแล้ว ชีวิตของเรายังอยู่เพียงเล็กน้อยเราจะจากพวกเธอไปเราได้ทำสรณะให้แก่ตนแล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีความประพฤติดีงามมีความดำริมั่นคงจงตามรักษาจิตของตนผู้ใดในธรรมวินัยนี้จักเป็นอยู่ยังไม่ประมาท ผู้นั้นจะละชาติสงสารประทําความจบสิ้นทุกได้ภิกษุทั้งหลายปัจจุบันนี้เมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์นั้นน้อยเป็นของนิดหน่อยพลันลับหายมีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก พึงตริตรองการด้วยความรู้คิดพึงทำความดีงามคือกุศลพึงครองชีวิตประเสริฐคือพรมจรผู้เกิดมาแล้วที่จะไม่ตายเป็นไม่มีบัดนี้คนที่มีอายุอยู่ได้นานก็อยู่ได้เพียงร้อยปีหรือเกินกว่าเล็กน้อยผู้ที่มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีก็อยู่ได้เพียงสามร้อยฤดูเท่านั้น ผู้ที่อยู่ครบ300รอฤดูก็อยู่ได้เพียง 1,200 เดือนผู้ที่อยู่ครบ 1,200 เดือนก็อยู่ได้เพียง2 4 0 0 0ปักผู้ที่อยู่ครบ 24, งห0พปักก็อยู่ได้เพียง 36,000 ราตรีผู้ที่อยู่ครบ 36,000 ราตรีก็บริโภคอาหารเพียง7 2 0 0 0มืองพื้อือฤดูหนาว 2 4 0 0มืมื้อฤดูร้อน2 4 0 0มื 24, มือ้อฤดูฝน2 4 0 0มืมื้อทั้งนี้นับรวมทั้งเวลาที่ดื่มนมมารดาและที่มีอันตรายคือเหตุขัดข้องต่อการบริโภคอาหารด้วยอันตรายต่อการบริโภคอาหารมีดังนี้คือโกรธแล้วไม่บริโภคอาหารเสียบ้าง มีความทุกข์แล้วไม่บริโภคเสียบ้างเจ็บไข้จึงไม่ได้บริโภคเสียบ้างรักษาอุโบสถจึงไม่ได้บริโภคเสียบ้างไม่ได้อาหารจึงไม่ได้บริโภคเสียบ้างภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ผู้เป็นอยู่ร้อยปีเราได้คำนวณ น, นับแล้วประมาณอายุก็นับแล้ว ระดูปีเดือนคืนวันมื้ออาหารอันตรายต่อการบริโภคอาหารก็ได้นับแล้วชะนี้แหลภิกษุทั้งหลายกิจใ ด, ดที่ศาสดาผู้อนุเคราะห์ผู้สแสวงประโยชน์แก่สาวกทั้งหลายจะพึงทำด้วยอาศัยน้ำใจเกื้อกูลกิจนั้นเราได้กระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่าง เธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าต้องเป็นผู้มีความเดือดร้อนใจในภายหลังเลยนี่คืออนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ตนคืออัตถะก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์ตนนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เมื ils, ini, care, <quer> ่อพิจารณาเห็นประโยชน์ผู้อื่นคือปรัชธาก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์ผู้อื่นนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคืออุปยัตก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท